ไ, ไออม่เสียงอ่ฟังทมกันแต่ว่าเจียนจบลงไปไห้เคยทิศเคยทางหัดเอาไว้มันก็ลองหัดเดินทาง ไปไหนมาไหนถ้าเคยไปครั้งหนึ่งสองครั้งอาจจะจำได้บ้างถ้าเดินบ่อยๆก็จำได้มากขึ้น <c oughs> ดับตาไปก็ถูกถ้าไม่เคยไปก็ไปไม่ถูกที่ถูกทางส ต, ติของเราเนี่ยที่เราผูกหัดเนี่ยเหมือนดวงตาใครในเอ้อจักทิศทาง การใช้ชีวิตโดยอยู่ในกายเห็นกายทุกเนี้ยทุกมุมบางอย่างก็ท่วงได้ศึกว่ากายอย่าให้หลงกายถ้าอกกายมาเป็นตัวเป็นตนนี่ ว, ว่าหลงแล้วเหมอนแ้งชัดเจน ไม่ลืมลืมไม่เป็นเพราะมันเห็นไม่ใช่คิดถ้าคิดเห็นนี่ลืมได้ถ้าพบเห็นนี่ไม่ลืมเลยเรื่องของกายเรื่องของสุขของทุกข์ก็เหมือนกันมีในกายนี้เห็นแล้วประสุขก่อนเก่าทุกข์ก่อนเก่า ไม่ต่างกันแต่วันเกิดคนละวาระอันเชื่อว่าสุขว่าทุกถ้าเห็นบ่อยๆก็ไม่เอามาเป็นตัวเป็นตนถ้าเห็นสุขก็เราเห็นวันสุขถ้เห็นทุกก็เราเห็นวันทุกนั่นดูแลมันให้ดีๆเอาว่าสุขว่าทุกนี้ ่าให้ลุกลามนัม้นแค่นั้นแค่สุกแค่ทุกเท่านั้นอ่าให้มันลุกลามไปถึงอะไรมากมายจนวิตกกองวลเศร้าหมองลัวร้ า, ราเอาผิดอเอาโทษไอ้ทำให้เกิดสุกเกิดทุกยึดมั่นถือมัน่น ต่อไปยาวไกลถ้าเห็นแล้วมันก็เห็นแช่นั่นเองจำนานเห็นสุขนทุกข์เห็นจิตใจที่มันคิดดูให้ดีอย่าให้ความคิดมันหลอกได้อันคิดที่อันเกิดจากความคิดมีหลายอย่างความพอใจความไม่พอใจมีได้อยู่ในความคิดนั่น คิดกึ้มาเป็นไรก็ได้อย่าหลงอันความคิดก็คือความคิดไม่ใช่ตัวชื่ตนอะไรในความคิดมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนในความยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเสียเปรียบความคิดตัวความคิดหลอกมาก็แรงแล้ว พอมาเห็นเดินบ่อยๆเห็นบ่อยๆกบเห็นบ่อยๆโดยเฉพาะเราสร้างสติจะกพบเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นที่ใดรู้ที่นั่นเห็นที่ใดรู้ที่นั่นนี่ยะเห็นไปเห็นมาเห็นไปเห็นมามันก็มีค่าอะไรความคิดเนี่ยความคิดบางอย่างเกิดจากไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละยิ่งเดี๋ยวหล ควาิดบางอย่างเกิดจากความตั้งใจอันนี้ก็ใช่อะไรเป็นข้างเป็นข่าวไม่ใช่คิดเอาตลอดจนให้ความคิดใช่เราอะไรหาคำตอบจบความคิดก็ไม่ถูกเสมอไปอันคิดอันใดที่ตั้งใจคิดคิดแล้วจบง่ายง่ายอันคิดอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจคิดมันจบไม่เป็นไปไกล เกิดคิดเดตั้นหาลาคา่ะเปิดไฟบาตรอะไรไปไกลใหญ่โตไปก็จะความคิดแนวเราเดินให้เห็นมันคือความคิดท่อนเองไม่ใหญ่โตไปกว่าด้านไม่ใช่ตัวใช่อตนอะไรบางทีเราไม่รู้วันหลอกให้หัวเราะให้ร้องไห้เพราะความคิดกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความคิด ไมยเสียดายเสียดเสียดา ย, ย, ดายคนถูกความชิดหลอกเลยนิดเดียวท่านเดงไปชะจนเรื่องใหญ่เรื่องโตนั้นคนสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งปรึกษากันเรื่องรรมหาจินก็ น, นัองจะชื่อวัวมาเลี้ยง หลายเอาลูกมันแล้วมันน่งจะปลูกข้าวเอาไว้กินอางคนต่า ง, ง, งคิดว่าปลูกข้าวดีกว่าเลี้ยงวัวเรื่องหัวก็เรื่อว่าเรื่องวัวไม่ดีกว่าปลูกข้าวปลูกข้าวยังม่ฤดูไมเรื้องไม่ท่วมได้เลี้ยงวัวไม่มีฤดู เดือนปีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมากขึ้นแต่วนสุดต่างคนต่างเห็นดีทั้งของใครของมันไม่ลงตัวกันในสุดก็คนที่ปลูกข้าวก็บอกว่าวัวจะมากินข้าวเขาอต้อเลี่ยงวัวกวงต้องร่งให้เป็น คนผูกข้าวตรงคนต้องล้อมรั่วไว้คนผูกข้าวกวัวคนต้องเลี้ยงวัวให้ดีได้มาจินข้าวของเราเสียงกันไปเสียงกันมาจนทะเลาะกันเอาควงมชีพกันหลอกทะเลาะกันเด่น <c oughs> <c oughs> เรื่องเป็นราวหัวจะมาสินข้าวคนเรื่องจูข้าวก็บอกให้คนเลี้ยงวัวต้องปรับตับต้นระบาด บางคนต่างไม่ลงกันเจนจะเลากันไปให้ผู้ใหญ่มาเจรจามาใหอาวัวมาจินงข้าวของคนแดงวกวคนเจ้าของข้าวไม่รอบรวยเพราต้องกินธรรมดาวัวมันหลายตัวมันมากตัวไม่ไหวเจอกันไปเจอกนมาคนเท่าคนเจีมมาเจรจา เอาจจนี้แล้วไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความคิดจนขึ้นลงขึ้นจานนี่มีเหมือนกันความคิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย <c oughs> น่าต้องหัดํำก็เหมือนกันสมายก็มีบางทีเกิดบาปบางที่เกิดบุญ บางทีเกิดงูบางทีเกิดฉลาดบางทีเกิดสงบบางทีเกิดพุ่งซ่านมีเหมือนกันใน ว, วัฒนธรรมถ้าเป็นกุศลก็คือฉเฉลียวฉลาดเอาความฉลาดของตัวเองเอาเปรียบคนอื่นถ้าเป็นอ ก, กุศลก็คืองูเอาคงูของตนเองหลอกลวงคนอื่นห้ากอื่นงูเหมือนเราอ๋อจุนักเก่งจ่อขังด้วน มันทุกส่วนไปติดกับเขาหางมันขาดเดีนักทั้งหลายก็รังเกียดว่าหางขาดไม่อยากให้เขา้างงตัวหางขาดก็บอกโอ๊ยแต่ก่อนเราไม่รู้อันหางพวกเรายาวกันไปพอตัดทิ้งรามันสะดวกดีชวนชว น, นักอื่นๆให้ตัดถาง สิงาสนักหวางตัวก็เชื่อใ <laughs> ้ตัดถานตามสุนัขขี่งกที่งโงน่นั้นจนสุนัขตัวใหญ่โตๆมาเห็นว่าอะไรเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> เออมาเอาเห็นแลาวพนง่าว่าตัาากเตือนคนโง่บางคนก็ชอนใหนก็เดินโง่ นด้แต่ส่เหล่าคนฉลาดคนงู้ชวชนนัคนฉลาดงูด้วยไม่ได้แต่บางคนฉลาดคนงูในโลกนี้ใครไม่มากกว่ากันเหมือนภาษาพุทธโมกขลานะไปเรียนกับอาจารย์สนชัยเวรตปบุตรเรียนจบแล้วดาวุฒิกาดาบทธราตราบทธ บ้างอาจารย์รลดัที่ต่างๆบ้างและดโหดมากันลานะไม่ใช่คนโง่ศึกษาอะไรก็ต้องดูดีๆถ้ามันแค่ไหนเพียงลายม่พอใจอาจารย์ก็จบแค่นี้ไม่มีอะไรที่สอนอีกก็คนเดือนจบหมดแล้ว อร่อยพากันลาอาจารย์จะไปหาเรียนต่ออาจารย์ก็ถามว่าจะไปเรียนที่ไหนจะเรียนหาครูอาจารย์ดีพระพุทธเจ้าอาจารย์เลยถามว่าในโลกนี้คนฉลาดกับคนโง่ใครมากกว่ากันแล้วหลวงพ่อันลาหน้านะก็บอกว่าคนคนฉลาดน้อย กดโกงพีมา <c oughs> อาจารย์ก็บอกนั่นลหละให้คุณไปหาคนฉลาดซะเราจะอยู่คนโง่สนุกหล่อเนี่ยมันก็ได้กินนะคนโงน่เดี๋ยวนี่เอาสารจึิงแวดร้อมต่างๆโฆษณาชวนเชื่อคนโง่ก็เชื่อเอาเชื่อเอา เมื่อเราเชื่อเขาเขาก็หลอกเราอาจินกับไปหน้าทั้งบริษัทเป็นร้อยบริษัทอาจินกับสิวเม็ดเดียวนึ่งเอาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเอาจีงเอาจังเมื่อมีสิวก็ขึ้นหมดไปหน้าเราก็อ้างว่าหน้าหลังเกลียดเราก็ไปฆ่าสิวกันเฉยจนใหญ่นจนโตจนทั้งที่ไม่มีอะไรมันธรรมดาสองคนฝ่อยรุน่น แต่ว่าเมื่อถูกโฆษณาเขาก็เชื่อไปตามตามโฆษณาเขาพูดอะไรโฆษณาอะไรมากก็เชื่อแบบที่ดีที่สุดเลาพูด ย, ย่อยย่อแล้วก็ว่าหน้าฝนดีที่สุดเขาก็ไม่เชื่อเพราะเราไม่มีเราไม่ซื้อเราเทียมเราไม่อ่า ชื่ออะไรก็เลยไม่ดังเหมือนเขาอคนตลาดคนโง่เร้ว่ากุศลเรากุศลตลาดแล้วก็ฟังโง่แล้วก็ฟังเมื่อมีใครมาพูดมาทำให้เราเห็นเลยพอสตินี้จะเป็นตัววิจัยอย่างดีเลยสมาพิวิยะสอดสองเหมือนกับเราเชี่ยวอาหารขบเชี่ยว ถ่า ต, ตรงไหนมีก้างมันก็ไม่คืนมันเชี่ยวมันออกเป็นเรื่เชี่ยวนะมันไม่ใช่มีใครมาบอกมันสัมผัสตกก้างูกอะไรที่มันมาใช่อาหารมันก็ออกงั้นพ่อแม่เลี้ยงลูก ระ้ห ว, วังไม่เกิดมีแพศภัยต่อลูกของตนเองสติเนี่ยเปียบเหมือนม่อเหมือนแม่พา น, นั่นแ่ะดูแลตั้งหมดของชีวิตเราก็าจะว่าก 8, 40, าับแปดเมือนสีพันจ่าไม่อยู่ในรูปในนามแน่สติรู้เห็นหมดเลยเนี่ยเห็นตั้งแต่บุกเบิกไปเป็นเข้าไป หมือนคนตากไม้ถากเสาทางเสาเนี่ยถากก็เนี่ยบ่เอเหลี่ยมเข้าได้แล้วเหลี่ยมที่สองเหลี่ยมที่สามเหลี่ยมที่สีก็เกิดขึ้นมาทันทีเมื่อลานท่านาึงว่าตากไม้ไม่มีเหลี่ยมเข้าฉะนที่เกี้ยงก็ไม่งามต้องเข้าไว้ก่อนเรืจากทิศทางเอาไว้ช่างถากก็ย่อมถากน่าอย่างดี ชีวิตเราก็เหมือนเข้าไว้อนรูปร่างไว้นันก็จะงามต่อไปเรื่อยสํานาญไปเรื่อยแต่ร <c oughs> ก็อาศัยบรรทัดตีเส้นบรรทัดไปตามเช่นบรรทัดแต่ถ้าชา น, นี้ชำนาญแล้วไม่ต้องมีเช่นบรรทัดเลยตากไปได้สบายเลยน้องตาเนี่เป็นช่างถาพอต้องหวร น, นะ กาถากบ้านหาคนเปรียบเทียบได้าใช่ไหมหาคนเปรียบเทียบได้ยากนะเอ็นหนมน้อยไม่มีพ่อว่าหลังเด็กหัดทันไหมสร้างบ้านสร้างเรือนไปถากไม้ ก, กับคนผู้ใหญ่เขาเขามาถามว่าวันนี้ได้กี่ต้นได้สามต้น เขาไม่เชื่อก็ไปดูนี่ต้นหนังนี่ต้นหนังนี่ต้นหนังเขาก็มงขอดูขวนขวนของเราอ้ยขวนมันก็ไม่ดีอะไรมันก็แค่นี้เองแต่ให้ว่ามาัมนจานี้จำนานไปรูปคาทำไมเอาตรงที่มันเสร็จไปเลยนี่ชีวิตของเราเม่ต้องํำนาญการ ศึกษาเรื่องกายก็ชำนาญในกายศึกษาเรื่องเวทนาชํนานาญในเวทนาศึกษาในจิตก็ชํนานาญในจิตศึกษาในธรรมก็ชนานาญในธรรมเราชํนานาญไม่ใช่หมาน่นไส้รักษาด้วยจนเวทนามาเจ็บตรงไหนดูแลความเจ็บได้อย่างยอดเยี่ยมกนมีสติเนะี่ไม่ให้ลูกหลามไปที่อื่น ดูแล้วอย่างดีไม่ใช่ไปรู้เฉยเจ็บอยู่ที่ใดเจ็บอยู่ที่ตับอ่อนปวดท้องอา้าวลู่แล้วลู่แล้วดูแล้วอย่างดีไม่ให้ลูกหลามไปถึงกับความเศร้าหมองขวัปวปวัตายเล้างอมรอยไม่เป็น้งนันเลยทีเดียวว่าเราจะสงบอย่างดีขณะที่มันเจ็บตัวต่อตัวตาต่อตาเหมือนกับเราเห็นเสือ อย่าหลบมันดูให้ดีเคยเจอเสือไหมห้ายคนไม่เคยเจอเสือนะอุตอตราเคยเจอเสือนะท้ามใหญ่ตงใหญ่จังหวัดชมพรเรานั่งรถไปตรงที่เขาจุปทัดเยอะๆจังหรอมันแหละแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นตรงใหญ่ เรเห็นหน้ามันสบตาอย่าอย่าอย่ามองตัวมันดูมันดีทีมันก็สู้เราไม่ได้หรอกอย่าทําท่าทำทางแก่สู้กับมันกลัวหาค้องหาอะไรมาก็กันไม่ได้ดูมันตาต่อตามันก็หลบดูกันดูดูไปดูมาหลังแอนลงหลังแอนลงหางกระดกเดือดตามื่ก็ ว่าห wow, ลังเอนลงวห ล, ล, งลงังเ อ, อ, อ็นลงงหน้างกหลังไปอะไรนะเจอเสือเจอกับความทุกข์เจอกับความเจ็บปวดมันไม่สู้สติดรอกพระพูทเจ้าถึงว่าเนื้อเจ็บตายก็คืออะไรก็คือสติเนี่ยจะสอนอะไรก็สอนไปเถอะในโลกเนี่ยมีอาจารย์เยอะๆไปใครจะไปไหนก็ ไอ้เมื่าเราจะสอนเรื่องนี้อะเรื่องสติเนี่ยเหมือนพ่อเหมือนแม่ทุกคนมีพ่อมีแม่แล้วเรจเริญเติบโตมาเพราะพ่อแม่แท้ๆถ้าลูกไม่อุ่นแม่จะอุ่นไม่ได้ถ้าลูกไม่อิ่มแม่จะอิ่มไม่ได้ถ้าลูกไม่เย็นเวลาร้อนแม่จะเย็นก่อนไม่ได้ให้ลูกเย็นก่อนห้ลูกอุ่นก่อนลูกอิ่มก่อน นี่คุณค่าของติพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนพ่อเหมือนแม่แล้วจะไปหาอะไรในโลกเนี่ยที่มันยอดเยี่ยมไปกว่าการมีสติแล้วสติมันหาที่ไหนอยู่ในตัวของเราเน่ยเห็นกายเอาไปเลยมีสติขึ้นมาดูปั๊บก็ไปเลยเห็นเนี่ย ลูบเข้ไปลูก้ก็ไปถ้าเราไม่ลู้มันแสนโหดเยี่ยมมันเรื่องโลกโลกเนี่ยมีรสชาติจางทารดเจ้าหมองอามับพัก <c oughs> เอิดอะไรต่างๆถ้าเราลู้ก็เจ็บจ้อยเจ็บหรือแค่นั้นเดงกเจ็บก็คือเจ็บแกีก็คือเจ๋ตายก็คือตาย มันก็เช่นั่นเองไม่มีค่าสำหรับผู้มีสติถ้าไม่มีสติก็ใหญ่มากอามาลองให้ความตายลองให้ความเจ็บลองให้ความแข่เสียออกเสียใจกลัวไม่น่ากลัวล่ะท้องที่มันไม่น่ากลัวที่สุดคือเจ็บเจ็บตายแต่คนก็กลัวหวอ้อ ยอมจำนวนโดยจึงมาเห็นแช้งซะมันไม่น่ากลัวเหมือนเขาเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งมะเรงไม่น่ากลัวมันชิดมะเรลงม่น่ากลัวมันกับความคิดถ้าเจอเขาจริงๆริงนะนันอะไรก็ตามต้องลงต้นจากสตินะ อะไรที่เราตอบได้ในชีวิตของเรานะมันเป็นคำถามในสัตว์วัดไม่มีที่จบเลยสัตว์วัดหึงก็ร้อยปียังมีล้อยปีกำหนดต่างอาจารย์พุทธาตชาตการล้อยปีอาจารย์พุทธาตุมันมีกำหนดเจอสัตว์วัด รั ก, กันชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีกำหนดแบบนั้นถ้าเราไม่รู้วันถ้ารู้มันก็จบเดี๋ยวนี้แหละตอบมาได้เจ็บเจ็บตายตอบมาได้เลยถ้าไม่รู้โหยจะเศร้าโศกเสียใจไม่ใช่เรื่องเราก็กรธอูนน้เหมือนกันละ่ะเศร้าโศกเสียใจกังวลพัดภาคชาวของเลาะของชอบใจเป็นทุกข์ปาต๋าชิงใดไม่ได้ชิงนั้นเป็นทุกข์ ไม่มีใครตอบอไม่ใช่สตินะไปถามอาจารย์ที่ไหนที่ไหนตอบไม่ได้อย่างมาลุงก็จยะบุตรเนะ่ใช่ไห ม, มาลุงก็จยะบุตรเป็นพระบวตเมื่อเจอิบวชเข้ามาเราจะถามพระเจ้าให้ตอบให้ได้นะก เ, ออ เ, เจอเจ็บตาย แล้วพรเจ้าหมยตลบไม่ตอบไม่ไมเฉลยจะลาสิกขาไปท่าเลยต่อรองกัเลยมันไม่มีคำถามมันมีคำตอบ ต, ตัวเองตลองตอบตัวเองตัวอื่นตอบให้ใช่ไม่ได้นี่คือปรมัภะสภาวธรรมมะเราเจึงต้องอาศัายใครเข้ามาได้ อันคำตอบนเนี่ยเช่นวัดภาคเจ้าของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์วัดภาคเจ้าของรักของชอบใจไม่เป็นทุกข์ได้ไหมปรารตนาจิงใดไม่ได้จิงนั้นก็เป็นทุกข์ปารตนาจิงใดไม่ได้ชิงนั้นไม่เป็นทุกข์ได้ไหมความครอบแคบใหญ่ความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ บอกครับแค้นใจก็ไม่สบายกายก็ไม่สบายใจไม่เป็นทุกข์ได้ไหมใครตอบให้เราไม่มีใครตอบให้กันได้แนวเป็นงานส่วนตัวสัตว์วัตของเราเองไม่ยาวถึงร้อยปีถ้าเรามีสตินะนี่คือจึงอยู่ในชีวิตนี้เพื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวอันเดินไม่จบ ดังนั้นถ้าใครจะพอใจเรื่องนี้ก็ศึกษาไปไม่ผิดพาดถ้าใครไม่พอใจจะไปทางไหนก็ไปตามชอบใจนี่คือจริงของชีวิตเราเนาะโอ้เจ้าจวอ่านไม่ว่าเราไม่ได้จะมาตอบเรื่องนี้ให้ใครในโลกนั้นมาลงกนบดเอย เป็นความคิดอะไรอะไรแก่อะไรเจ็บอะไรตายให้เห็นแจ้งของตัวเองศึกษาแลื่งกรรมฐานตอนที่เสดมาลงกรีบุรก็กอบผันหลังได้บปรูธรรมนะลึกใช่หรือเปล่าจำไม่ได้นะ <laughs> อันนี้รู้จำเรื่อจำเอาคนอื่นมาเล่าหรือว่า บุคลาธิฐานยกบุคคลมาเปรียบเทียบแต่ถ้าบางธิฐานไม่ใช่ยกใครมาเปรียบเทียบมันประจักษ์แข่งกับชีวิตของผู้ศึกษาเองปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้เห็นตาควรคจะพู้ถึงปฏิบัติน่ยเพราะนั้นเราก็มาใช่เรื่องนี้เรื่องเดวดอกหลายอย่างชีวิตของเราหลายหลยอย่าง ไม่ใช่ส่วนตัวก็ส่วนคนอื่นบ้างเอาหลายๆอย่างเป็นพวงเป็นเรือพ่วงไปบ้างเพราะลงพลังได้บ้างตอนตาก็ไปอยู่ท่าไปหวานสองเขินสามเขินเหลือพ่วง <c oughs> มีเหลือพ่วงที่ตรงนั้นด้วย <c oughs> ไม่ได้พูดธรรมะอะไรดอแต่พูดไปตามลมทำแรงตอนเช้าตีห้า ไปดูชาวบ้านเขาตั้งกองกระถินไปสอนขาวชาวบ้านหัดสานไม้ไผ่สานตะกร้าไม่ได้สานตะกร้ามาสี่สิบกว่าปีไปสอนชาวบ้านสอนได้เลยเนี่ยมันเคยมันชำนาญมันทำเป็นจับตอกจับมาก็ทำเป็นละมือไปเอง ทำเป็นทำให้เป็นไม่ใช่รู้ถ้ารู้ ก, ก็อสอนได้ไกอ่อก้าคว่มหายองอสองไก่ย่องขว่มสององอสี่ว่มสามตกที่ลายสารไม่ไผ่มันไม่ใช่กำโกดับตอมามันไม่ลืมเพราะมันเป็นการทำให้เป็นนี่ไม่ลืมเป็น โดยเฉพาะกรรมฐานมันเป็นไม่ใช่รู้นะทําเป็นการทำเป็นไหมลเจ็บยังไงเจ็บเป็นไหมหิวยังไงหิวเป็นไหมทุกข์ยังไงหิวทุกข์ทุกข์กเป็นไหมทุกข์มันลุกลามเรีกว่าทุกข์ไม่เป็น้เจ็บมันลุกลามแล้วว่าเจ็บไม่เป็นหิวไหมลุกลามแล้วว่าหิวไม่เป็น รอนลูกลามหรือว่าร้อนมันเป็นหนาวลูกลามไปหนาวไม่เป็นไปไกลเหมือนกันนะถ้าเราเป็นเรามันจบนะก็บอกชาวบ้านว่าไม่ไผ่ถ้าใครอายุหกสิบปีมาเมาไม่ไผ่ในวันนี้ได้หกสิบปี นี่หมบ้านนบ้านใหม่หกสิบปีอะต้องการสานไม่ไปเมาอยู่นี่ไปสานไม่ต้องไปแบกคนอื่นสานไม่เป็นมามาถามสิจะสอนอะารไม่ไ่ทุกอย่าง <c oughs> อันนี้ไม่ใช่คุยนะํำเป็นํำเป็นนะนะเราต้องแต่ตีบข้าวอะไรๆเรื่องจากสานให้ไครทำไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเงือพ่วงไปหให้ชาวบ้านสารตะก้าเชกะถินกะถินพก ข, ขอทองพวกเราร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยป่าสุกโตไปร่วมทอดวันที่หนึ่งนี้พิกกิกกายนเป็นวันทอดกะถินวันจุดท้ายของการกะถินเลยตอบแทนเขาสักที แต่ก่อนหลวงตาอยู่ผูเขาทองมาทอกกระถินตัวนี้ทุกปีปีไหนไม่มีเจ้าภาพผู้หลงก็ไปบบนี้ผููนนขอทองไม่มีเจ้าภาพเราก็เราเป็นเจ้าภาพน้ <c oughs> อยๆร่วมก่อไปจะตั้งกองกระถินกับชาวบ้านสองสามวันสนุกดีเหมือนไปเพลในคนโบราณเนานะ แล้วก็เรียกร้องชาวบ้านให้มาจันเพนให้มาจงเพนแล้วมาเลี้ยงพู้เท่าผูแเจด้วยอ น, นี่ก็มาที่นี่จะไปแสดงธรรมที่กระเจดชมบนุนไม่มีเสียงหรอกมันก็ดื้อหน้าด้านเสียงไม่มีก็ยังอยากเทศพระพผก้กลมหะหล่อ บอกหลวงกรมเทศก็ไม่เทศอาจาให้ไปด้วยให้แสดงเทาเขาไม่เทศเลยจำเป็นแล้วก็สู้จัด <c oughs> พวกนี้ก็จะไปอกีกเอาหลวงพ่อกรมไปด้วยอต้องยัดยัดใส่ใหม่ เ, เอาอีกหนึ่งลูกอาจารย์ตรงไหนไปด้วยสักสามลูกซะรับกระถิน ทบอกว่าเทศไม่ได้ไม่ไม่เสียไม่เทศก็ได้ไปนั่งดูเฉยๆก็ได้มันนั่งไม่เป็นถ้าขึ้นธรรมารแล้วต้องมีอะไรก็พูดไปฮะพวกนี้จะไปกับหลงพ่อกรมให้ลงพ่อกมชวนพเพื่อนกันไปจากลูกนั่งไปร่วมกันสักสามลูกนะเอวังก็บีดวยประกาศชนีกบาบพะของเรา